เรื่องราวสยองขวัญที่หาดนางรำสัตหีบจังหวัดชนบุรีสัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นมนุษย์เรียนอยู่ชั้นม .4 ที่โรงเรียนตัวอำเภอ ก่อนที่จะย้ายไปเรียนต่อม5ที่กรุงเทพเป็นเรื่องปกติที่ในแต่ละเทอมจะมีการไปทัศนศึกษาของนักเรียนแต่ละชั้นเมื่อถึงเวลาประชุมเลือกสถานที่เพื่อนๆของนุชก็เสนอกันมาสามที่คือจังหวัดชนบุรีประจวบคีรีขันธ์และกรุงเทพมหานครครูประจำชั้นจึงให้พวกเราโหวตสถานที่ที่อยากไปแล้วพวกเรา ก็ได้ไปทัศนาศึกษาที่จังหวัดชนบุรีครูประจำชั้นชื่อว่าครูก้อยครูก้อยบอกว่าจะไปลองหาสถานที่ที่จังหวัดชนบุรีดูว่าจะไปที่ไหนกันได้บ้างเมื่อถึงวันที่จะไปกันพวกเราก็ตามประษาวัยรุ่นแต่งตัวกันแบบจัดเต็มมากแต่ก็ยังมีเพื่อนบางคนที่ไม่ได้ไปนุดนัดรวมตัวกันที่โรงเรียนตอนประมาณตีห้า นุดกับเพื่อนในแก๊งมีกันอยู่เจ็ดคนก็นัดรวมตัวกันที่บ้านนุดก่อนเพราะบ้านนุดใกล้โรงเรียนที่สุดและที่สำคัญเป็นร้านขายของที่แม่เอ่ยปากว่ามาตุนของกินไปได้เลยแต่ละคนก็ตั้งใจมาขนเต็มที่พอเพื่อนมากันครบพวกเราก็เลยไปที่โรงเรียนกันการไปทัศนศึกษาครั้งนี้พวกเราได้ขึ้นรถบัสที่ครูก้อยจ้างมา ระหว่างทางก็เป็นเรื่องปกติที่รถบัส ต, ต้องเปิดเพลงแดนมันมันนุดกับเพื่อนก็เต้นกันเอวจะหลุดด้วยความสนุกสนานและแวะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดจนมาถึงที่สุดท้ายครูก้อยประกาศบนรถว่าพวกเราจะไปพักกันที่หาดนางรำนุชก็เฉยๆเพราะไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วรู้สึกดีใจด้วยซ้ำเพราะจะได้ไปเล่นน้าทะเล เดินทะเลตอนกลางคืนบรรยากาศดีสุดๆแต่เพื่อนนุ์คนหนึ่งหน้าตากังวลผิดปกตินุ์เลยถามว่าซีเป็นไรวะซีหันหน้ามาหานุชหน้าซีนี่คิ้วขมวดแทบจะชนกันเลยกูไม่อยากไปเลยวะซีตอบแล้วนุ์ก็ถามว่าทำไมวะกูคเคยได้ยินพี่ชายกูเล่ามาว่าที่นั่นมีคนตายบ่อยและมีเพื่อนพี่กูคนหนึ่ง สมัยมาเที่ยวก็เจอดีเข้าเต็มๆจนเสียสติไปเลยนุตคิดในใจเอาแล้วไงแล้วกูจะเจอไม่เนี่ยในใจก็กังวลได้แต่ปลอบใจเพื่อนว่าไม่มีอะไรหรอกนุตอาจจะไม่เจอก็ได้คิดมากมากับกูกลัวอะไรวะเมื่อไปถึงที่พักนุตกับเพื่อ น, อนต่างไปจับจองห้องของตัวเองลักษณะที่พักเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีชั้นเดียว หน้าบ้านมีร้านขายของมีถนนหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามเป็นทะเลเห็นครั้งแรกก็รู้สึกดีมากบรรยากาศดีติดทะเลด้วยแต่พอหันไปหาสีเมื่อเห็นหน้านางแล้วก็หมดอารมณ์ไปเลยหน้าซีกังวลมากเพราะนางเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วครูก้อยแบ่งโซนให้พวกเราให้ผู้ชายนอนห้องข้างหน้าผู้หญิงนอนห้องข้างหลัง ตัวบ้านจะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวมีสองห้องใหญ่ๆข้างหน้าและข้างหลังห้องน้ำมีประมาณ1ิบห้องเรียงแถวกันยาวลักษณะเหมือนห้องน้ำวัดนุดเก่าของไปเก็บแล้วจองที่นอนนุดนอนตรงกลางส่วนเพื่อนนุชนอนฟังละสามคนซ้ายขวาเพื่อนคนอื่นๆก็นอนตามที่ที่ตัวเองได้จองไว้พอจัดของเสร็จ นุดกระชวนเพื่อนนุดออกไปหาอะไรกินกันแล้วจะไปดูเพื่อนผู้ชายเตะฟุตบอลที่ชายหาดระหว่างที่พวกเราเดินไปก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งเขากำลังกวาดพื้นอยู่พวกเราก็คิดว่าเขาคงเป็นคนดูแลบ้านพอเดินผ่านนุดก็ยิ้มให้ตามปกตินุชกับเพื่อนๆไปที่ร้านค้าตรงหน้าบ้านแล้วซื้อขนมกินกัน ป้าคนที่ขายของก็ถามนุชกับเพื่อนๆว่าหนูมาอยู่กี่วันแล้วเพื่อนนุชคนหนึ่งบอกว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็กลับแล้วค่ะป้าคนนั้นยิ้มและบอกว่ากลับกันเร็วจังเลยนานๆจะมีคนมาพักสักทีหนูมีพระมากันไม่ลูกป้ามีให้บูชานะแล้วสีก็หันมาหยิกแขนนุชและบอกว่าเห็นไหมกูว่าแล้วเพื่อนนุชคนหนึ่งเลยบอกว่า ไม่เป็นไรครับป้าพวกหนูมีค่ะแล้วพวกเราก็เดินออกมาจากหน้าร้านนุดเลยพูดขึ้นเพื่อเป็นการปลอบใจซีว่าร้านป้าเขานี่ยิ่งกว่าเซเว่นอีกอะมีแม้ ก, กระทั่งผ้าให้เช่าพวกเราหัวเราะ ก, กันแล้วเดินไปที่ชายหาดขณะที่นุดกำลังแกะขนมอยู่ก็ดันผ้าทำหล่นไปที่พื้นนุดก้มลงเก็บแล้วตาก็เผลอมองไปที่ด้านหลัง ยายคนนั้นที่กวาดพื้นอยู่อยู่ๆก็หยุดกวาดพื้นแล้วหันมามองทำพวกเรานุชเลยยิ้มให้แล้วหันกลับมาพวกเรานั่งดูเพื่อนๆ เ, เตะ บ, บอลกันอย่างสนุกสนานแต่ก็มีเพื่อนผู้ชายบางคนที่คอยแกล้งลากพวกผู้หญิงลงทะเลแต่นุปรอดเพราะเป็นนักวิ่งของโรงเรียนเพื่อนนุชโดนจับลงทะเลกันแทบหมดนุชวิ่งหนีออกมาไกลจากตรงนั้นมาก เลยได้จังหวะค่อยๆเดินกลับอย่างช้าๆทั้งบรรยากาศสายลมและทะเลทำให้นุด ร, รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นนางเอก MV พอใกล้จะถึงที่เพื่อนๆนั่งอยู่นุดเห็นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนุดที่ใส่เสื้อสีฟ้าวิ่งเหมือนกับคนร้องไห้ไปที่บ้านพักนุด ต, ตกใจมากคิดว่าเพื่อนเป็นอะไรจึงรีบวิ่งตามไปดูแต่ยังไม่ทันได้วิ่งไปซีก็ตะโกนเรียกนุด จะ้วยไปไหนนุดหันหน้าไปตอบมันก็เมื่อกี้ไอ้จีนมันอา้าวนุดเงียบไปด้วยความแปลกใจแล้วซีก็พูดขึ้นอีกว่าจีนมันก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยนุดงงมากเพราะนุดเห็นจีนวิ่งเหมือนคนร้องไห้ไปจริงๆแต่ก็คิดในใจว่าหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นแล้วนุดก็มองไปที่เพื่อนๆของนุดทุกคนก็อยู่กันครบนุดจึงชวนซีและจีน ให้ไปเป็นเพื่อนนุดหน่อยจะไปเอาของที่บ้านพักแล้วทั้งสองก็ไปเป็นเพื่อนโดยไม่มีข้อสงสัยนุดกับเพื่อนเดินไปที่ห้องพักแล้วนุดก็พยายามมองหาทุกที่ว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนุดจึงเดินไปถามยายที่ดูแลบ้านหลังนี้ว่ายายเห็นใครใส่เสื้อสีฟ้าวิ่งมาที่บ้านไหมคะ ยายไม่ตอบได้แต่ยิม้มและส่ายหน้าเบาๆนุชเลยกล่าวขอบคุณแล้วเดินจากไปขณะที่นุตกำลังหันไปเพื่อจะเรียกเพื่อนทั้งสองคนให้กลับไปที่ชายหาดก็เห็นมันสองคนยืนนิ่งหน้าตาตกใจมากนุตเลยพูดออกไปว่านี่จะยืนตรงนั้นกันอีกนานไหมแล้วเป็นอะไรวะซีและจีนตอบพร้อมกันว่าอ๋อเปล่าเปลกูอยากเล่นน้าแล้วไปกันเถอะ เราสามคนจึงเดินไปรวมตัวกับเพื่อนๆ เ, เล่นน้าทะเลกันต่อตกเย็นพวกเราก็นั่งล้อมรอบเป็นวงกลมเพื่อทำกิจกรรมกันห้องเรียนของนุดมีนักเรียนทั้งหมด33คนเป็นชาย16คนหญิง17คนเราก็เลยจับคู่เพื่อทำกิจกรรมและแน่นอนว่าจะต้องมีคนคนหนึ่งที่ไม่มีคู่และคนคนนั้นคือจีนพราะกู จับคู่ตามเลขที่ซึ่งจีนอยู่เลขที่สุดท้ายพอดีพอจับคู่กันเสร็จครูก็บอกให้คนที่เป็นเศษมาคู่กับครูแล้วทุกคนก็มองไปที่จีนแต่จีนกลับบอกว่าอะไรอะเรามีคู่แล้วนะนี่ไงแล้วจีนก็ยกมือตัวเองขึ้นเหมือนกับว่าจะโชว์คู่ตัวเองว่ากำลังจับแขนจีนอยู่แต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยจีนทาหน้าง ง, ง เราเดินไปหาครูก้อยด้วยการตกใจอะไรสักอย่างสักพักขณะที่กําลังทำกิจกรรมอยู่นั้นครูก้อยก็ตะโกนขึ้นมาว่านี่เธอทาไมไม่มารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆไหนเธอคู่ใครอา้าวทำไมวิ่งหนีไปอย่างนั้นละ่ะพวกเราทุกคนหันมองไปตามสายตาของครูก้อยแล้วหันมามองหน้ากันว่าครูก้อยคุยกับใคร แต่คนที่แสดงอาการอย่างเห็นได้ชัดคือสีเพราะซกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนุชพยายามรวบรวมสติระหว่างที่เพื่อนๆ พ, พูดกันต่างๆนานาแล้วหลับตาคิดในใจว่าไหนๆก็เจอมาเยอะแล้วก็ให้เห็นอีกสักครั้งจะเป็นไรเพราะนุชเป็นคนมีเซนมักจะเห็นผีอยู่บ่อยๆระหว่างที่นุชลืมตามาก็ต้องตกใจเพราะซยืนอยู่ตรงหน้า แล้วถามว่าเป็นอะไรหลับตาทำไมนุชจึงตีแขนมันเพียกกูตกใจหมดแต่ที่ตกใจกว่านั้นก็คือหูหญิงที่ยืนข้างหลังสี่เธอใส่เสื้อสีฟ้าลักษณะท่าทางเหมือนจีนเพื่อนของนุชแต่ตัวเปียกโชกขาวสีดยืนก้มหน้าเหมือนคนร้องไห้แล้วเขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาจังหวะนั้นนุชคิดว่า ถ้าเกิดหน้าเละมากูตายแน่ๆได้แต่ยืนนิ่งเพราะขยับไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาหาหนุดและภาพที่เห็นตรงหน้าคือเขาไม่มีดวงตามันเป็นสขีขาวๆแล้วมีน้ำไหลออกมาและไหลออกมาตามตัวเยอะมากตอนนั้นนุดกรีดดังมากแล้วหนุดก็เป็นลมสลบไปหลังจากที่หมดสติไป นุดตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นเพื่อนๆยืนล้อมรอบตัวนุดอยู่เต็มไปหมดแต่เธอคนนั้นยังไม่ไปไหนยังยืนจ้องมองนุดอยู่ในกลุ่มเพื่อนอ น, นุดหลับตาและภาวนาว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้อย่ามาให้เห็นอีกเลยแล้วนุดก็กลั้นใจลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอเขาไม่อยู่แล้วเพื่อนนุดค่อยๆพยุงตัวนุดขึ้น ครูก้อยถามนุชว่าโอเคไหมนุ์ตอบว่าโอเคหลังจากนั้นพวกเราต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนอนพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางกันแต่เช้าเพื่อนนุชหลายคนมองนุชแปลกแนุชเลยถามซีว่าเป็นอะไรวะทำไมเพื่อนมองกูแปลกแปกซีเล่า ว, ว่าตอนที่นุ์เป็นลมไปอยู่ดีดีนุชก็ตื่นลืมตาขึ้น สายตาแข็งมากร้องไห้แล้วมีน้ำตาไหลเหมือนกับน้ำจากนั้นก็เป็นลมไปอีกมันเหมือนกับคนโดนผีเข้าเลยนุดตกใจมากเพราะไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและนุดก็ไม่รู้สึกตัวเลยตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆทุกคนแยกย้ายเข้าไปนอนในที่ที่ของตัวเองนุดนอนตรงกลางซีนอนข้างๆนุด แต่นุดนอนไม่ค่อยหลับมัวจะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นุดโดนผีเข้าจริงๆหรอมันชักจะไปกันใหญ่แล้วฮอนุดนอนลืมตาคิดอยู่สักพักหนึ่งก็มีคนเปิดประตูเข้ามานุดนึกว่าครูกอ้อยเพราะครูก้อยยังไม่เข้ามาเลยสักพักก็เหมือนกับมีคนเดินมาหานุดนุดเลยยกหัวขึ้นดูแต่ก็ไม่มีใครนุดคิดในใจ เอาอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วนุชก็เลยหันไปกอดสี่ที่นอนหันหลังให้พอนอนไปได้สักพักนุชก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตีสองกว่ากว่าแขนของนุชชุ่มไปด้วยน้ําขณะที่นุชกําลังจะเรียกสี่ก็ปรากฏว่าที่นุชนอนกอดอยู่ไม่ใช่สี่แต่เป็นผู้หญิงคนนั้นนุชตกใจมากวิ่งออกมาจากห้องโดยไม่คิดเลยว่าจะไปไหน พอตั้งสติได้ก็เลยคิดว่าไปที่ชายหาดดีกว่าเพราะเห็นว่ายังมีคนอยู่ที่ชายหาดพอนุชเดินไปก็เห็นซีนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ท่าทางเหมือนกลัวอะไรสักอย่างนุชเลยเรียกซีซีมาทำอะไรตรงนี้พอซีเห็นนุชก็วิ่งมากอดแล้วร้องไห้จากนั้นจึงพูดว่ากูบอกแล้วเห็นไหมกูว่าแล้วมันต้องมีเห็นไหมเห็นไหนม นุดเลยถามมันว่าเหนลนเหอสิมันก็จูงมือ น, นุดไปนั่งแล้วเล่าให้นุดฟังว่าตอนที่กําลังนอนอยู่กูรู้สึกกลัวก็เลยหันไปกอดมึงแต่มันไม่ใช่มึงเป็นใครก็ไม่รู้นอนร้องไห้อยู่กูกรีดและกูก็วิ่งออกมาแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครได้ยินเสียงกูเลยแล้วกูก็มานั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละมันเลยถามนุดกลับมาว่าแล้วแกเห็นไหมนุดตอบไปว่าไม่เห็นหรอก ออกมาตามหาเนี่ยแหละตื่นขึ้นมาไม่เห็นก็เลยเออกมาดูแล้วเราสองคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นสักพักก็ได้ยินเสียงกรีดดังมากดังออกมาจากห้องพักนุดกับสีวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนนุดคนหนึ่งชื่อฝ้ายนั่งกรีดแล้วดิ้นอยู่กับพื้นสักพักป้าคนที่อยู่ร้านขายของวิ่งเข้ามาแล้วพูดว่าว่าแล้วกูว่าแล้วถอยๆย ยยืนมุงเพื่อนแล้วป้าก็เข้าไปหาฝ้ายแล้วพาฝ้ายไปที่ร้านของป้าพวกเราเดินตามไปก็ได้ยินฝ้ายมันเล่าว่าขณะที่มันเดินออกมาเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูห้องน้าออกมาก็เห็นผู้หญิงไม่มีดวงตาจ้องหน้ามันอยู่พอได้ยินดังนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนก็มองหน้ากันแล้วครูก้อยก็บอกให้พวกเราเก็บของกันเดี๋ยวนั้นเลย พวกเราเรีบเก็บของหยิบอะไรยัดได้ก็ยัดเลยไม่มีการพับเก็บเรียบร้อยเหมือนตอนมาแล้วก็ใช้เวลาเก็บของกันไม่ถึงหนาทีก็ออกมารวมตัวกันที่หน้าร้านขายของนุดกับเพื่อนเดินออกมานุดก็ไม่ลืมที่จะไหว้ายายคนนั้นก่อนที่จะไปนุดบอกกับยายว่ากลับก่อนนะคะยายสวัสดีค่ะแล้วนุดก็เดินมาเมื่อสีเห็นก็พูดขึ้นว่า คุยกับใครนุชกูเห็นตั้งแต่ตอนมาแล้วเห็นมึงยิ้มกูก็หันตามแต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยตอนที่ชวนมาเอาของกับจีนก็เห็นคุยอยู่คนเดียวเหมือนกันนุชอึ้งไปพักใหญ่แล้วตัดสินใจว่าจะหันไปดูอีกทีก็เจอยายยืนอยู่ที่เดิมยายคนนั้นใส่ชุดสีขาวนุ่งขาวห่มขาวลักษณะเหมือนเจ้าที่เจ้าทางนุชยกมือไหว้ครั้ง เพื่อนก็ยกมือไหว้ตามนุชแล้วก็พากรีบเดินออกมาจากตรงนั้นก่อนที่พวกเราจะขึ้นรถป้าก็ถามว่าหนูๆตั้งแต่มาที่นี่ได้ไหว้สารกันบ้างไหมถ้ายังไม่ได้ไปไหว้ป้าจะพาไปแล้วป้าก็พาพวกเราเดินไปไหว้สารสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือรูปปั้นในสารตายายลักษณะเหมือนกันกับยายที่นุชเห็นเลยนุชจึงคิดว่า ยายน่าจะมาดูแลพวกเราแต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นถึงเข้ามาในบริเวณนี้ได้หลังจุกไหว้์สารเสร็จพวกเราก็เดินไปขึ้นรถกันตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีห้าเกือบ6กโมงแล้วพอรถมาถึงขณะที่กําลังจะขึ้นรถนุชก็เห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งลงทะเลไปแล้วก็หายไปเลย นดรีบขึ้นรถในทันทีเขานั่งรถมาได้สักพักหนึ่งครูก้อยก็พูดบนรถว่าครูจะบอกความจริงกับพวกเธอเพื่อที่จะไม่ได้สงสัยกันนะบ้านหลังนั้นเมื่อก่อนมีวัยรุ่นมาพา ก, กันแล้วมีวัยรุ่นคู่หนึ่งซึ่งคงจะเป็นแฟนกันเกิดทะเลาะ ก, กันที่บ้านหลังนี้มีการตบตีกันในห้องน้าด้วยแล้วผู้หญิงก็วิ่งลงไปในทะเลโดนทรายดูดทาให้จมน้าตาย แล้วหลังจากนั้นคนที่มาพักที่นี่ก็จะเจอผู้หญิงคนนั้นหลอกมาโดยตลอดเพราะเขาต้องกลับมาฆ่าตัวตายแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามนุษย์ได้ฟังก็ขนลุกไปทั้งตัวส่วนซที่กลัวผีมากที่สุดในกลุ่มเพื่อนก็ร้องไห้หนักมากแล้วซีก็บ่นมาตลอดทางว่าเห็นไหมไม่มีใครเชื่อกูเลยกูบอกแล้วกูเจอจนได้ พัดสิอง